นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้าที่จะแก้ปัญหนานในชีวิตประจําวันของเราเราได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมในที่ว่าไม่ใช่การหนีปัญหาและการเพยงย่งอย่างมั่งอาชัยเราก็ได้พูดถึงเรื่องทานนิดๆหน่อยๆด้วยตอนนี้เป็นเอพิโซดที่82ครับอันนี้คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อาตมาพระไพบูุญทุกสัปดาห์ก็มากับคุณหมอรัฐพงศ์กรับกลาบน้ำตาสการครับ กับผมธันดแพทย์นัทธพงศ์กหนกวิรุลครับเอพิโซดที่82ตอนนี้คุณหมอรัตพงศ์เราพอมาเยอมกันนะใกล้ร้อยแล้วนะ80กว่าหน่อยใช่ครับถ้าจะพูดถึงตัปีครึ่งแล้วที่เราได้จัดนี้มาใช่ครับก็จะพูดถึงเรื่องที่เรายังไม่เคยพูดเลยอมเรื่องอะไรนะครับเรื่องความกลัวอ๋อครับความกลัวเราพูดนิดนิดหน่อยวันนี้จะพูดใช่วันนี้จะพูดยกพรธวัจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความโศกเนี่ยเกิดแต่ความรัก ความกลัวก็เกิดแต่ความรักแต่ความกลัวเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักอันมาไว้ใคร้ครวนคานี้เนี่ยเราก็พบว่ามันมีแง่มุมบางประการที่คิดว่าเออจะมาคุยกับหมอรัพพงษ์ด้วยเผื่อมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอันดับแรกก่อนพระเจ้าเคยกลัวเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่เป็นโพลิสัตย์อยู่อ๋อกลัวอะไรครับกลัวกลัวแบบนกทํากิ่งไม้ตกลงมาคือตอนนั้นยังไม่เป็นสามาสมบุตรเจ้าใช่ไหมครับป่าไหนน่ากลัว ที่ไหนเขาเรียกว่ากลัวนี่ไปหมดนะไปแล้วนี่ก็เอ๊ะทำไมเรายังมีความกลัวนะไปสู่ป่าที่มันน่าสะพึงกลัวก็มาพิจารณาไว้เอ๊ะเราควรกลัวไหมนะถ้าเรายังมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์กรรมทางวาจาไม่บริสุทธิ์นะเราก็กลัวเพราะเหตุนั้นเนี่ยคือสมมุติเราไปอยู่ที่เปลือยเปลี่ย ว, เ ล, ยวเล่ในซอยเปลือยเปลี่ยวเยวนี่ยนะแ ล, แล้วเราเกิดความกลัวขึ้นนะแต่ถ้าถ้าหมายควม่าถ้าเรายังมออีอาการที่เรียกว่า ประพฤติกรรมทางกายวาจาใจาไม่บริสุทธินะ์หรือว่าเป็นคนที่มียังมีนิวรณ์อยู่นะเป็น ค, คนที่ยังมักมากอยู่มีความการะหายแรงกล้านในพวกลาบสกสารเสียงสรรเสริญคือเป็นคนไม่ดีบ้างนั่นเถอะครับอันนี้คุณสมควรกลัว<อ>สมควรกลัวนะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวเนี่ยเราสมควรที่จะกลัวเพราะว่าเราเรียกว่าทําไม่ดีอ่ะ ค, คุณจะไม่ดีคุณกลัวคุณกลัวบาปแน่นอนอันนี้ถูกต้อง อไอ้กลัวนี่กลัวกลัวคนร้ายกลัวโจรหรือว่ากลัวแบบกลัวแบบผีสางนางไม้อะไรเหมือนที่คนทั่วไปกลัวหนึ่งคือคือเหมืารถฟงต้องเข้าใจว่าถ้าเราพูดถึงความกลัวเนี่ยนะคือมันมีความกลัวอยู่ในใจนะครับความกลัวเนี่ยมันไม่เหมือนความโกรธหรือว่าไม่เหมือนความเกลียดหรือความไม่ชอบไม่เหมือนกันคือมันกลัวคือคือความกลัวเป็นพลังอย่างหนึ่งคือเป็นเหมือนกับอิโมชั่นอย่างหนึ่ง ใช่ไหมเราเรารู้สึกกลัวอยู่ในใจเกาะเกี่ยวใช่ใช่ทีนี้ไม่ว่ามันจะเกิดเหตุจากอะไรกลัวผีกลัวแม่กลัวพ่อกลัวหมดกลัวเหมือนกันหมดครับคือความกลัวหมดทีนี้ที่กลัวแล้วดีเนี่ยคือกลัวต่อบาปไงดีอ๋อใอ่ที่ไอ้กลัวอื่นไม่ดีแน่นอนนี่คือที่กําลังประเด็นตรงที่นี้ไงที่ว่าสมมติคุณสมมติอ่าคุณทํากรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แล้วคุณไปอยู่ที่เปรียเทียวคุณเกิดความกลัวขึ้นอันนี้สมควร แต่น้ำหน้าไม่ใช่สมควรสมน้ำหน้าแต่เพราะคุณดันทํากรรมทางกายไม่บริสุทธิ์อืพระพุทธเจ้าไล่ไปเลยมีความกลัว15อย่างคือหมายถึงเหตุที่จะทําให้เราควรจะกลัว น, ะบาบานะวนั้นนะคือกลัวบาปนั่นแหละว่างั้นเถอะนะคือกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์กรรมทางวาจาไม่บริสุทธิ์กรรมทางใจไม่บริสุทธิ์อาชีวะไม่บริสุทธิ์มีความเพ่งเลง็งเกลียพิชามีพยาบาทีนะมิทะจิตฟุ้งสัน้นเป็นคนสงสยัยนี่คือนิวัณทั้งหะแล้วก็ยังมีการยกตนข่มท่านเป็นผู้มักหวาดเสียว นั่นปรารถนาลาบสาการะเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนไม่มีสติเป็นคนไม่มีจิตตั้งมั่นมีปัญญาเสื่อมทามพวกนี้นะถ้าคุณไม่มีคุณธา ร, รมพวกนี้นะแล้ว ค, คุณกลัวนะสมควรแล้วอ๋อสมควรแก่เหตุเลยสมควรแก่เหตุละเพราะว่าเพรา ะ, าราะามันมันเป็นอกุศลธรรมอ่ะเราต้องกลัวมันครับที่นี้ข้อเลยนะครับใช่ใ่เอาสิบหกข้อก่อไปสิบหกข้อเดี๋ยวนิดนึงครับท่นไปหาได้จากเล่มไหนครับโออยู่ในพุทธประวัติจากพระโอษณะเก้าสิบหก ใน ก, การบึกษ์ตรงนี้หาดูได้เลย<ค>นะ ท, <ค>ทีนี้<ค>ตรงนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นสมมุติเราเคลียร์พวกนี้ออกหมดบาปกรรมพวกนี้เราไม่มีเลยนะเราไม่ได้ทําเราเป็นคนมีจิตเป็นสมาธิด้วยแต่เราเกิดความกลัวขึ้นมานี่แหละที่เราต้องจัดการมันครับสมมุติเราเป็นคนมีกายวิใจายใจบริสุทธิ์ใช่ไหมน<อ>ี่วันหน<ส>้าเราก็ละแล้วแต่เราไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาลาบสการะจิตเราก็ตั้งมั่นด้วยเราก็ไม่เกียดคร้านด้วยมีปัญญาด้วยแต่ทําไมเรายังกลัวอยู่ S <S อไอ้ความกลัวตรงนี้แหละเราต้องจัดการกับมันอ๋อครับมันเป็นกิเลสไงมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจแฝงรูปออกมาจากความกลัวที่แฝงรูปอยู่ในความรักแสงเรายังมีความรักอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเราจึงกลัวผู้ชา่พูดตรงนี้ว่าแสตแอบเข้ามาเนี่ยมีผู้หลีกในปฏิบัติหมาแล้วทงกลัวมากเลยไปอยู่กูเตียครับกลัวอะไรละครับไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันเสียงกบคับแก๊บนี่เกิด กลัวแล้วเอาละเฮ้ยไข่<อ>มาวะหรือว่า ม, มันเป็นมันเป็นผอพึ่งสลายีหรือเปล่าวะอ่าตอนนั้นที่ตัว<ม>เองเนี่ย <แก S 1> เออทอนนั้น ท, ที่ตัวเองเนี่ยมีศีล น, น, นะอ่ะ<แ>ทำจิต<แ>ก็คือพยายามที่จะทำจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะก็ยังมีความกลัวตรงนี้คือความกลัวที่แฝงอยู่ในเรื่องของกิเลสที่เราจะต้องเคี่ยวออกให้ได้ครับทีนี้ไอความความกลัวตรงเนี้นะหมอระพงมันไม่เป็นความกลัวที่เกิดจากความรักทําไมเรารักอะไรเราจึงกลัว เช่นว่ารักต uh, uh, ัวเองหรือแบบอันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วรักตัวเองใช่ไหมกลัวตายก็เลยกลัวตายฉันรักชีวิตของฉันฉันก็เลยกลัวตายไอ้ความกลัวเนี้ยมันก็เลยมาหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยทั้งนที่มันไม่มีอะไรเราก็กลัวนั่นกลัวนี่ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขใช่ครับอันนี้อันที่หนึ่งบางคนมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปบางคนรักความสําเร็จในชีวิตฉันอยากได้ความสําเร็จในชีวิตอยากจะมีหน้าตามีชื่อเสียงต่างๆเลยกลัวที่จะทําอะไร หมอหรืพงษเข้าใจไหมเมื่อตอนก่อนโน้นเราได้พูดถึงเรื่องคุณรักหมาใช่ไหมใช่หมาไม่รักคุณตอบนะคุณก็เลยดึงหางหมาตีหมาไปเอ้คุณรักหมาหรือคุณคุณเกลียดหมาก็แน่คุณถึงตีเขาคอันนี้ความความรักเนี่ยมันเปลี่ยนออกมาเป็นความเกลียดความเกลียดใช่ใช่ไหมทีนี้ความรักที่มันเปลี่ยนเป็นความกลัวเนี่ยในรูปลักษณะเดียวกันคือว่าเรารักที่จะมีความสําเร็จเรารักที่จะมีชื่อเสียง เราเลยไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือจริงๆแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรเช่ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเลยมไม่กล้าลงทุนไม่กล้าแสดงออกอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียชื่อเสียงก็ใช่ไหมครับทําไม่มคนบางคนไม่กล้าขึ้นไปพูดในที่ชุมชนครับว่าคุณรักหน้าทางคุณนี่เป็นต้นนะอันนี้ตัวอย่างเช่นรหรือ ค, รคุณรักความรักความารวยต้องการที่จะมีเงินมาก เลยไม่กล้าที่จะซื้อหุ้นไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะทำอะไรไม่กล้าจะเปลี่ยนงานกลัวเขาจะอะไรเลยกลัวไปหมดอ่ะนั่นก็เพราะว่ามันกลัวกลัวเลยไม่ทำมันเลยเป็นตรงกันข้ามกันนะแทนที่คุณทำแล้วคุณจะได้แต่คุณไม่ทำเพราะว่าคุณกลัวกลัวอะไรกลัวเสียกลัวเสียก็เลยไม่ทำเข้าใจเนาะเข้าใจครับทาให้ตรงนี้มีนักจิตวิทยาเขาเขาพูดว่า นิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีมันมี positive intention อยู่ด้านหลังเขาบอกอย่างนี้ว่า every behavior has positive intention ค, ค, ค, คือทุกนิสัยอะบางคนจะชอบรังแกนุน่นรังแกนี่ทำอะไรสักอย่างห น, นึ่งเด็กกรดร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่านิสัยอะไรที่มันรับไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามี positive intention อยู่เบื้องหลังเด็กที่แบบอาจจะซนดือ้อนั่นก็เพราะว่าเขา อ, อต้องการให้คนอื่นม า, ารักเขาใช่ไหมทัทง้ทงที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ทําเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเรียกร้องความรักแต่มันสร้างความรําคาญเพราอะไรเพราะมันรักไงมัน ร, ร, รักมันจึงกลัวกลัวอะไรกลัวจะอยู่คนเดียวกว็อยู่คนเดียวังทําไงเรียกร้องความสนใจทำยังไงบ้าวอขึ้นมาเลยแบะนี่แกล้งคนทําให้ตัวซนขึ้นมาครับอ่านี่ไงคือคือคอนฟลิกต์มันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับออื นักจิตวิทยาเนี่ยเขาพยายามจะหาเหตุผลไงมาแล้ทพงศ์เขาก็ยังไม่เข้าใจการทํางานของกิเลสหรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งเท่าปริชาว่าจริงเหตุมันเกิดมาจากความรักนัน่นเองทําให้เด็กแสดงออกในลักษณะที่ว่าดื้อซนทำให้ผู้ใหญ่แสดงออกในลักษณะ ท, ที่ไม่กล้าจะตัดสินใจนจนกระทั่งทำให้มวลคลเจอ mid life crisis เกิดได้ยินไหม mid life c r <oughs> i จะเปลี่ยนงานเฮ้ยไม่เปลี่ยนงานเฮ้ ย, ยหรือจะจะลงทุนเฮ้ยจะไม่ลงทุนเฮ้ยจะมีลูกแล้วจะทํำยังไงเ้ยโอ้โหมันกลายเป็นงงเพราะว่าตัวเองมีความรักในการที่จะสําเร็จบ้างรักในการที่จะมีเงินบ้างมั่งรักในการที่จะให้ครอบครัวอยู่ดีบ้างจึงไม่กล้าเพราะที่จะลงทุนหรือทําอะไรเลยครับเพราะว่าอะไรกลัวผิดหวังกลัวเสียกลัวไม่สําเร็จเพอาะถ้า ง, ง, า <จะ S 2> งั้นก็เลยไม่ทําอะไรไม่ท <ำ S 1> มําอะไรทําไง อยาก็อยากได้ทําก็ทำไม่ได้อยากก็อยากได้ทําก็ทำไม่ได้แล้วเป็นไงเครียดอไปหาโรคหมอโรงจิตมาเลยแหละหมอโรคจิตหามากๆเข้าหมอโรคจิตก็ทําวิจัยทําวิจัยออกมาเออเลยเป็นบัญญัติเป็น every behavior has positive intention เลยบอกว่าอันนี้เป็นมี d life c r i s i เป็นอาการอย่างนี้เอากินยาละกันเผื่อจะหายครับมีมีครับือผมผมเจอคนไข้คนไข้ทําฟันแต่ว่ามีปัญหาทางจิตกินยาเป็นกรรมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราพยายามที่จะเข้าใจ กระบวนการทางจิตตรงนี้กลับแก้ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคือตัวเขาต้องรู้ปัญหาอะไรเขาถึงจะแก้ได้ถ้าเขาไม่รู้ปัญหาถ้วเขาไม่สามารถแก้ได้ครับผมนึกนึกถึงอริยสัจสี่พอมีทุกปั๊บต้องหาสมุทัยใช่ใช่ครับทีนี้ประเด็นตรงนี้มันกลับมาเรื่องนี้อีกว่าอย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยับนักกีฬานี่นะเขารักการเล่นกีฬาเขารักการเล่นกีฬาทีนี้ว่าเขาถ้าคนเล่นอย่างไปอย่างสบายใจนี่นะมันก็ เขาก็ไม่มีปัญหาะอะไรครับทีนี้ว่ามันจะมีบางส่วนที่ว่าฝึกซ้อมที่จะวิ่งอย่างคนจะวิ่งเนี่ยนะนี่กาลังจะพูดถึงเรื่อง ค, คนที่จะวิ่งว่าคุณจะวิ่งแต่คุณไม่อยากเหนื่อย อ, อไม่อยากเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยมันมันเหนื่อยมันไม่ดีมันไม่ชอ บ, รบจริงจริงแล้วเนี่ยคุณกลัวเหนื่อยคืออย่างความไม่ชอบความกลัวเนี่ยนะหรือความโกรธเนี่ยมันมันมีเบื้องหลังฉากหลังคือความกลัว ค, ความรักทําให้คนกลัวใช่ไห ม, อมพอกลัวแล้วก็เลยแสดงออกด้วยความเกลียดบ้างด้วยความโศกบ้างด้วยความโกรธบ้างเฮ้ยไม่ยุ่งกับฉันนะโกรธขึ้นมาเพราะจริงคุณกลัวผิดหวังอหรือคุณกลัวถูกปฏิเสธคุณจะต้องโกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมาทําท่าทางนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามีนิสัยที่เขายังมีความกลัวที่ซ่อนอยู่อืมกใช่ไหมเข้าใจครับอย่างคนที่ทําโอ้ยฉันไม่วิ่งแล้วไม่อยากวิ่งไม่อยากออกกําลังกายคุณกลัว กลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยกลัวเหนื่อยกลัวร้อนกลัวเหนียวตัวอะไรเนี่ยคือออกมาทํานองนี้ไอ้พวกเหนียวตัวไม่ชอบเลยเพราะว่าคุณกลัวที่จะกลัวที่จะเหนื่อยเอ๊ะแล้วถามว่าจะวิธีการแก้ความกลัวเนี่ยทํำยังไงปริชาทำยังไงเผชิญหน้าไหมครับต้องเผชิญหน้าถูกต้องไม่มีทางเลยที่คุณจะแก้ความกลัวได้โดยไม่เผชิญหน้าไม่มีทางคือถ้าเราหนีมันก็จะติดเหมือนกับความกลัวติดความกลัวเนี่ยมันเกิดมาจากเพราะความรัก อันนี้พูะเจ้าสาวหาเห็นให้เรียบร้อยแล้วโซลูชันมีเรียบร้อยแล้วเรากลัวอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างคนกลัวผีเนี่ยอาตมาเมื่อก่อนกลัวกลัวคือสมัยเด็กๆเลยนะแล้วตอนนี้เรามานึกย้อนหลังไปว่าทำไมเราถึงกลัวเราพิจารณาดีๆสมมติเราเดินออกมาจากกุฏิอย่างเงี้ยมันมืดๆเลยนะมืดเติบเลยมืดเติบเลยมีแสงอะไรตรงนั้นบ่าเฮ้ยมันมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไห มันต้องเป็นผีเนี่ยที่มันจะเข้ามาวิ่งหาเราเนี่ยแล้วผมยาวๆมีแต่มือหน้าไม่มีโอหมันน่า ก, กลัวมากๆเลยเคยดูหนังผีเรื่องนั้นเนี่ยไอกระบวนการคิดตรงนี้น ะ, ช, ะชั่วแวบเดียวทําให้เรานึกไปถึงยอดหลังตรงนั้นที่เราเคยกลัวอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้นี่เองเราปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดเลยรวดเร็วมากมนึกถึงภาพเลยเห็นภาพนี้ associated เข้ากับภาพที่เราเคยกลัวมามีสัญญาอยู่อ่า พอ s อสโซเชต์ลิงเข้าด้วยกันปุ๊บอารมณ์นั้นมาทันทีกลัวบจี๊ดเลยคนลุกคนลุกสู้เลยเฮ้ยมันอะไรวะใช้ไฟส่องไปปุ๊บหายไปแล้วไอ้ ย, ยาทําไงดีรีบกลับเข้ากุฏิอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นความกลัวรเราต้องเผชิญห น, น้าเพราะอะไรทําไมหนึ่งถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับความกลัวเนี่ยเราไม่รูวร้ว่าราบมมาจากอะไรนะทาให้เราไม่เข้าใจคือกา ร, รเผชิญห น, าน้าจะไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เห็นความจริงอ่าเห็นความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเอ้ะนี่ความกลัวมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเราจะแก้อย่างไงเพราะถ้าเราไม่เคยเผชิญความกลัวเลยเนี่ยนะเราจะแก้มันไม่ได้คุณจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้พระเจ้าทำยังไงพระเจ้าทำยไงทำไงดีครับพระเจ้าเดินอยู่ม mm ีความกลัวเกิดขึ้นเดินมันเดินแก้ความกลัวอ๋อก็คือเป็นครูบอกให้เราว่าเป็นเป็นอ่าเป็นอุปมาอุไมยอะนะเป็นลักษณะที่บอกให้เราว่า คุณต้องเผชิญหน้าไม่มีทางที่คุณจะแก้กความคลาดกลัวได้โดยที่ไม่เผชิญหน้าเหมือนน้ำยอกอนนํำบ่งอย่างนี้นะครับคืออันนี้นก็เป็นคำของของทางโลกทางโลกเขาอะนะทีนี้ที่พุญเจ้าเผชิญหน้าเนี่ยเพื่อเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักแบบหลักแบบอ่าพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยเป็นหลักเหตุผลธรรมดาเลยนะอย่างบางคนกลัวถูกปฏิเสธทาไม ค, คุณไปสมัครงานอย่างนี้ กลัวเขาไม่กล้าไปสมัครไม่กล้าย้ายงานกลัวเจ้านายวะด่าว่ารออหรือว่าไม่กล้าที่จะไปหางานทํานะีกลัวที่เขาจะกลัวเขาจะออด่าเราว่าเรากลัวเขาจะดูเราต่ําต้อยเนยความรู้สึกที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่า inferior ความรู้สึกต่ำต้อยจะมีชาติกําเนิดต่ำเรามออีความรู้น้อยเรามันเป็นมีปมด้อยในชีวิตก็เลยเ ก, กลัวอเออไม่ได้ <c oughs> จะไปทําอย่างเงี้ยความกลัวเนี่ยไม่ม <c oughs> ีทางไทำให้กุณเจริญ จะแก้งไงต้องเผชิญหน้า <Okay. S 1> คุณไปเลยพูดผิดีสักสองสามทนะีทำเปินๆบ น, น, น, นเวทีสักสี่ห้าทีหรือไปเขาตอกหน้ากลับมาสักสามสี่ทนะีโทรไปขายของขายไม่ได้สักเจ็ดแปดทีเดิมมันจะเข้าใจเองว่าเอาตรงนี้มันคืออะไร mm. เด็กๆที่เขาเรียนไน ม, ยม่น้ํามาโดยพงเขาก็ต้องดําผุดดําบ่ากินน้ําไปสักสิบยี่สิบตืบมันก็เป็นใช่ครับเพราะมันรู้ว่าอ๋อนี่ทําอย่างนี้อันนี้ทําอย่างนี้เราจึงต้องมีการเผชิญหน้า อืมใช่ครับถ้าเราไม่เผชิญหน้านะหมอรพงมันไม่มีทางแก้จริงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนว่าต้องเจอจริงๆนะครับอมั น, มนใช่เราถึงจะเข้าใจนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบบ้าบอคอแตกนะแล้วก็แบบไปทําอะไรบ้าบ้า บ, าบอๆนะไม่ใช่งั้นนะคือเราพยายามที่จะเข้าใจว่าไอ้ความกลัวของเราตรงเนี้ยมันมาจากอะไรอืมก็คือมาจากความรักแล้วถ้าเนี่ยเนะี่ยมันรักอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องไปแก้จุดนั้น ที่มันมากมายเกิดเรื่องที่เรามีไปมีชันทะในเรื่องที่เราไปมีกำหนัดอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้นะจริงครับบางคนเนี่ยรักความชนะยะตัวอย่างคนที่ไม่ออกกำลังกายเป็นต้นรักที่จะมีชัยชนะรักที่จะมีชัยชนะรักที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนก็เลยคิดว่าถ้าเราไปวิ่งแล้วเราคงจะวิ่งไม่ได้วิ่งเราจะแพ้วิ่งเราจะไม่ชนะ ก็เลยไม่วิ่งดีกว่า<ม>เรื่องที่จะไม่วิ่งหาข้ออ้างล้วอันแปดเพื่อที่จะไม่ไปวิ่งวิ่งเพื่ออะไรก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับความที่ฉันจะต้องแพ้ครับแต่หา<ม>รู้ไม่ว่าคนที่เขาจะยอมรับหรือไม่เนี่ยคือคนที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วเนยใช่ครับใช่ไหมเราจะยอมรับสักคนใดคนหนึ่งว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาของเขาครับทีนี้ถ้าเขายังแบบอิดออดมีข้ออ้างไม่ยอมไป ดีดีดาดาลีลามากเหลือเกินแสดงว่าจิตคุณไม่มีกําลังอื hmm. ไม่มีสมาธิไม่มีจิตกับกําลังแสดงว่ า, างี้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้ไม่มีการยอมรับคือคือถ้าคุณไม่ทําไม่ได้ยอถูกยอมรับตั้งแต่ตอนนี้อย่งางนี่คุณทำแล้วแพ้คุณนําแล้วแพ้คุณยังรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ<ช>ย่างน้อยใจเรายังสูงขึ้นมาใช่แล้วเราปรับปรุงตัวได้ใช่อันเนี้ยความกลัวเนี่ยจึงเป็นบางคนไม่ยอมรับครับคือความกลัวที่เรายอมรับก็มี ความกลัวที่เราไม่ยอมรับก็มีครับเนอะคือคือหมายความว่าบางคนเนี่ยขยันขยันบางที่เนี่ยขยันบางทีก็ไม่ขยันนะคือไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีความขยันนะคือหมายว่าอย่างสมมุติเล่นเกมอย่างเงี้ยเล่นเกมนี้เล่นเกมได้หรือบางทีไม่กินข้าวครึ่งวันค่นวันสิบสองชั่วโมงเนี่ยโอ้โหทไมมันขยันงี้วะพออ่านหนังสืออ่านหนังสือพูดถึงอ่านหนังสือยี่คสยันไม่่ใชาะ อ่าแต่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยต้องไปสาวหาเหตุเออเด็กคนนี้เขากลัวที่กลัวคุณครูหรือเปล่ากลัวคุณครูคือคืนนี้จะย้อนกลับไปทีละขั้นตอนนะคือไม่อ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือมันมันไม่สนุกอันนี้ก็เหตุหนึ่งไม่อ่านหนังสือเพราะว่าเรียนไปก็ตอบไม่ได้ทําไมถึงตอบไม่ได้ครูด่าอยู่เรื่อยก็เลยกลัวครูกลัวครูก็เลยไม่อยากเรียนวิชานี้เพราะว่าไม่อยากที่จะต้องไปเจอครูแล้วก็เลยสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็ยิ่งมาเจอครูกว่านี้อยู่ดี ตัวเองมองไม่เห็นไงก็เลยกลัวก็เลยก็เลยหลีกเลี่ยงเนี่ยเป็นกลัวที่ตัวเองไม่ยอมรับแล้วบางทีตรงเนี้ยมันซ้อนกันอยู่3 4มสี่ชั้นเราต้องลอกทีละชั้นลอกทีละชั้นลอกทีละชั้นจนถึงตัวกลัวนี้ตัวกลัวนี้ลอกไปอีกมันจะซ่อนด้วยความรักอยู่สักอย่างไดอย่างหนึ่งอ๋อครับอืมนี่อาตมากาลังพูดถึงกระบวนการที่ของไอ้นักจิตวิทยานะครับอ่าเขาเรียกว่า positive intention behind the behavior นี่นะอันนั้นคือมีส่วนถูกอยู่แต่ว่าไม่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่คือเรามาแก้ที่ตัวรากมันไงครับไอความรักตรงนี้คืออะไรเราแก้ที่ตรงนี้นะเราไม่ได้แก้ที่ตัวกลัวครับแล้วกระบวนการของปรุชา้าก็สอดคล้องกันคือหมายก็ว่าความจริงเนี่ยนะหลักความจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะมาจากมุมไหนมันก็จะเข้ากันได้หมด นะตรงรที่ว่าพระเจ้าเจาะเข้าไปเลยนะสู้มองเผชิญหน้าเพ่งเข้าไปลุยไม่ถอยไม่เลิกนะแล้วก็ดูซิมันเป็นยังไงนะทำลุย take action มีความเพียรครับเราเราจะเห็นว่าอ๋อจริงๆมันไม่มีอะไรนะเราทำก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็้คยๆก็ทำกันใคยๆก็เป็นกันมันก็คนที่กลัวทั้งหาก คนที้กลัวกรหางนี่เป็นคนไม่ปกติเป็นคนบ้าอคนแอร์ถึงแม้เราจะแพ้แต่เราไม่ได้กลัวนะเรายังดีกว่าคนที่จิตไม่ค่อยปกติเลยครับอืมเพราะว่าคือถึงไหมเขาเขาจะอ่านแบบชนะในเรื่องอื่นได้รับการยอมรับแต่ว่าเขาไม่ก้าหามันมีความกลัวซ่อนอยู่เขาไม่ยอมรับด้วยซ้ําำจิตของเราจะไม่เปิดเผยจิตของเราจะไม่มีความกำลังไม่มีกําลังครับ เหมือนเหมือนทางโลกที่เขาบอกอกหักดีกว่ารักไม่เป็นอย่างนี้นไหมครับนี่แหละคื อ, ค, อคือพวกที่เขาเรียกว่า <c oughs> ความรักทําให้คนตาบอดใช่ครับความรักทําให้คนตาบอดนะคือหมายว่าทําให้คุณรักรักเสร็จปุ๊บคุณกลัวกลัวแล้วมันมื <c oughs> หมดหมดเลยห ม, ยหมอท่านพงเพราะกลัว <c oughs> เนี่ยเป็นโมหะอืกลัวเนี่ยเป็นโมหะมันเป็นความดําเป็นความมืดทําให้จิตมืดมืดแล้วก็มองไม่เห็นอะไรอ่ะมองไม่เห็นอะไรปุ๊บเราก็ไม่ร่ว่มันคืออะไรเพราะเราจึงต้องเผชิญหน้า ใช้ไฟเข้าไปมองเข้าไ ป, ไาไปสู้มันเข้าไปไ น, นะนอะไรที่กลัวทำครับคือหมายความว่ากลัวบาปนี่คือพูดถึง15 16เหตุนี่ก่อนนะคุณต้องมีก่อนน ะ, นะแล้วถ้าคุณยังกลัวอยู่ให้คุณทําสิ่งนั้นนะคือ1คุณมีวิจิกรรมบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์นะอาชีพบริสุทธิ์ด้วยนะนิวรณ์ห้าละให้ได้ยกตนกลมท่านล ะ, ะความไม่มีสัมพััญะละความเกียดคร้านละปัญญาเสียมทามละละละละผู้นอดสิอย่างนี้ละเสร็จแล้ว ก็ยังมีความกลัวอยู่เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอืเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นขอร้องให้ทำครับขอร้องให้ทำรเราจะพบกับชีวิตใหม่อะไรบางอย่างที่มันปิดบังอยู่หลายปีหลายสิบปีที่เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยเพราะมันมืดเราจึงมองไม่เห็นรจริงจริงมาเลยพงศ์จริงบางทีพอเราได้เผชิญหน้าเนี่ยศั ก, กยภาพ ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอาจจะแสดงออกมาใช่ไหมครับาอังกฤษเขาเรียกว่า unlish u n l s h <laughs> ใช่ใช่ครับ <laughs> เราต้องกล้าน ะ, ะเผชิญหน้านะครับครับพูดถึงว่าถ้าป ร, ประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยอย่างมาจัดรายการอย่างเงี้ย <laughs> ผมก็ไม่เคยทำแล้วผมก็เป็นมือสมัครเล่นก็ <laughs> <laughs> <laughs> ต้องเป็นความกล้าที่จะมาทำดูซิทำก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วก็บอกว่าได้ประโยชน์ไประโยชน์ม า, ม, ามากเลย<า>ถูกต้องหมอรพงศ์มาต้องขอย่อย่องหมอรพงศ์จริงนี่นพูดด้วยกันเนี่กยกมรุยจะย่ย่องแต่ก็ย่องย่องด้วยกันเองนะ <laughs> นะว่าว่าถ้าไม่มีหมอรพงศ์เนี่ยนะรายการนี้มันก็ไปไม่ได้น <สา S 2> อนะพูดจริ ง, รงๆน ะ, นะว่าเราก็จะไม่คือมีหมอรพงศ์มาคอยเขี่ยเข็นนะนะถึงเวลาต้องมาอรายการถ้าเป็นเราคนเดียวแล้วก็อาจจะแบบดีๆด่าๆทําบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยมีชั่วไรอื่นแล้วก็คงจะหลีกเลี่ยงไป แต่ว่าอันนี้มันเลยต้องต้องมีคอมมิชเมนต์ก็เลยั้องทำครับก็ผมได้ำทำธรรมะจากพระอาจารย์มากๆเลยครับแล้วหลายครั้งหลายหนก็คือโดนกับปัญหาที่ตัวเองติดอยู่ในใจนะครับโอบ้โหเว่ารู้สึกว่าได้ประโยชน์อย่างที่สุดเลยครับแล้วก็ก็จะต้องมีการเตรียมการก่อนแล้วก็มีการเตรียมการรับเรื่องที่จะพูดถึงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเออชิญชวนท่านผู้ฟังว่าให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัว อัน m p ็นเช่ a นความกลัว face your fear ภาษาจีนกาว่า face your fear ใช่ครับอันนี้ขอประสบการณ์ตรงอีกนิดนึงก็คือในฐานะทันตแพทย์เนี่ยทุกวันที่คนไข้เดินมาหาเนี่ยความกลัวเนี่ยครับจริงๆอยากจะบอกว่าคือผมทำงานมา20ปีเต็มเนี่ยเรื่องของเทคนิคเทคนิควิธีการเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สบายมากเราเราเราไม่คลั่นคลามเลยแต่ว่าไอความกลัวของที่อยู่ในใจของคนไข้แต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหต้องแกะต้องแงต้องทำให้มันเขายินยอมการเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมพูดพูดกับเพื่อนทันตแพทย์ว่าไอเรื่องสมมุติผ่าตัดฟันคุดเนี่ยมไม่ไม่กลัวเลยแต่ว่าจะทำไงให้เขารู้สึกว่าไม่กลัวหรือว่ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับการ ผ่าตัดอันเนี้ยตรงนั้นยากกว่าครับใช่เนาะตั้งแต่ใส่ฟันเหล็กแล้วบางคนน่ะกลัวอะไรต่างๆมันก็เป็นเป็นเรื่องไปแล้วความกลัวตรงนี้หมอระพงจะเป็นตัวที่ปิดกั้นไม่ให้เราไม่ให้เราเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตใช่ครับเออ่ไม่ให้เราก้าวเดินไปปิดกั้นชีวิตเราในบางคนพลิกผันไปเลยเป็นอย่างอื่นเพราะว่าความกลัวนี่เดียวใช่ครับอื โอกาสทั้งอาชีพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเจ้าความกลัวนี่แหละใช่ครับหรือบางคนอย่างความกลัวมีปัญหาโลกฟันนิดหน่อยแต่กลัวกลัวหมอกลัวการมันทำฟัน20ปล่อยใช่ครับปล่อยให้มันบวดมากเละเทะอะไรเงี้ยโอ้หกลายเป็นไอตอนที่มาเนี่ยคือไม่ได้ละคือมันที่สุดแล้ฮะ ต้องก้าวเข้ามาหาหมอฟันแล้วก็สารภาพว่าเนี่ยจริงๆมีปัญหาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขา่กลัวยื้อมาเป็นปีสองปีจนมาถึงวันเนี้ยโอ้โหมันอืซึดทําอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงหมอหลวงผมต้องมาหาหมอฟันอย่างเดียวต้องมาหาหมอฟันอีกอ่ะครับก็จะไหกใช่ครับถ้าถ้าเรามาหาหมอฟันตั้งแต่ตอนนู้นมันจบไปแล้วนะใช่ครับปัญหามันจะแก้งง่ายแป๊บเดียวเสียสตังก็น้อยเจ็บก็ไม่เจ็บเวลางาน ก็ไม่ต้องลาอะไรมากอะไรเงี้ยในขณะที่คุณกลัวแล้วเราก็ไม่ยอมมาแล้วก็ไม่ทำแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องทําอยู่ดีถูกบังคับด้วยความเจ็บปวดใช่อย่างคนคนรักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์อย่างเงี้ยครับนี่ยเราพูดถึงถึงขั้นสุดท้ายเลยนะเพราะคุณรักคุณรักไปคุณกลัวคุณไม่อยากตายสุดท้ายคุณตายอยู่ดี ต้องตายอยู่ดีคุณสุาย<ห>คุ ณ, <ห>คณตายเลยงั้นสู้เราเราทําเราไม่กลัวเราสบายใจวันนี้แล้ววันนี้จากถึงวันตายของเราเราแฮปปี้ตลอดใช่ครับ <laughs> ใช่ไหมเราเราจะแฮปปี้ตลอดสมมติถ้าวันนี้เรากลัวกลัวตายอย่างเงี้ยจะทำไม่นี่กับไหนทําจะทำไม่นั่นกับไมนทาวันนี้จะว่มันเป็นเป็นอชีวิตหมดเลยสุดท้ายคุณก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะครับมันยังหมอฟันเนี่ยหมอรักวงเยอะอย่างดีมากๆเลยล่ะครับจะเจอทุกวันเลยครับต้องบอกเห็นทุกวันเลย ตอนแรกไม่ไม่ไม่กลัวไออกลัวไม่มกล้ามามีความขลาดนะสุดท้ายมันไม่หวมันก็ต้องมาหาหมอมาดีก็ต้องมาอยู่ดีเช่นเดียวกันเลยคุณกลัวกลัวพูดในที่ชุมชนกลัวเหนื่อยกลัวความไม่ประสบความสำเร็จยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องทำก็ต้องทำอยู่ดีครับเเรื่องของความตายนะครับท่านความตายทุกคนสมมดิรักสุขเกล็ดทุก็คือกลัวตายแต่ว่า เขาหนีความตายไม่พ้นวันสุดท้ายของชีวิตมันต้องมาถึงเขาต้องลงลงตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าแท้ตัวมันก็ต้องไม่กลัวแล้วใช่ถ้าเขาละความกลัวนั่นแหละใช่ตอนที่มีกําลังวางชาแล้วก็ได้่ศึกษาความตายกล้าเผชิญหน้ากับเจอกับความตายแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับแบบอืมอืนมี้ก็จะมีมีความสุขหรือว่าอย่ในภพภูมิที่ดีอันนี้นะมันสอดคล้องกับ ม้าอาชาัยทั้งหมดสี่ประเภทนะอ๋อครับอ่าคือหมายความว่าที่เราเคยพูดไปว่าม้าอาชาในประเภทแรกใช่ไหมก็คือว่าที่มหาหมอฟันตอนสุดท้ายฝันเละแล้วครับอ่าว่าโอ้ยคุณอ่าขออภัยม้าอาชาในประเภทแรกเนี่ยคือว่าเผชิญหน้าความกลัวเลยนะก็คือเหมือนกับว่าคุณเห็นคนนี้ตายก็เลยคิดว่าโอ้ยได้ข่าวเฉยๆนะได้ข่าวว่าคนนั้นตายก็เลยคิดว่าโอ้ยตัวฉันก็คงตายบ้างก็ทำความเพียรให้มันพ้นจากความตายดีกว่า ก็คือเปลี่ยนเหมือนกับคนที่กลัวกลัวเสร็จแล้วเออฉันเผชิญหน้าเลยมันแก้แค่จบจบไปตอนนี้นี่คือมารชัยเป็นประเภทหนึ่งครับในประเภทที่2ก็คือว่าเออได้ยินแล้วว่าคนนู้นก็ตายเอย๊แต่ว่าคงไม่ทําอะไรหรอกไม่เป็นไรนะต่อมาก็คื อ, อได้เห็นได้คนที่รู้จักเรานะคนที่เรารู้จักอ่า <alguns S 1> คนที่เรารู้จักเนี่ยตายนะคนที่เรารู้จักเนี่ยตายก็ยเลยมาทําความเปลี่ยนจนกระทั่งตัวเองสามารถแก้ความตายได้ อันนี้ก็คือปรียบมือนกับว่าคุณไปทําใจมาสักหลายๆเดือนหน่อยนะคุณค่อยไปวิ่งคุณค่อยมาหาหมอฟันคุณค่อยไปทําอะไรที่คุณกลัวนะเช่นไปหาข้อมูลเพิ่มมีการวางแผนอย่างดีนะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลคือไม่ได้ทําพ้อเลยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามคนที่เคยมามีประสบการณ์อ่าอย่างนี้จะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็คือระดับที่สองก็จะดีเลยไปหน่อยหนึ่งครับอันดับที่3มก็คือว่าอ้าวเจอคนที่เรารัก เห็นกระตา<ม>เองว่ามีความตายเกิดขึ้น ต, ตัวเองก็เลยไปทําทําให้เกิดแก้ความตายได้<ม>ก็เปรียบเหมือนกับคนที่เรียกว่าต้องคนใกล้ตัวมาบอกจริงๆอะ่ะคน<ม><ม>ใกล้ตัวบอกจริงต้องเป็น ญ, ญาติหรือว่าใครคือไม่ใช่ว่าแค่หาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตหรือว่าฟังคนนู้นคนนี้แต่ต้องเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราเชื่อถือถึงจะไปทําได้ะนะอื<ม>อันนี้ก็คือว่าเ ร, เริ่มใกล้ตัวใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายข้อที่สี่ก็คือว่าจนฟันเละแล้วเนี่ยถึงค่อยมาหมอฟัน ครัโดนมันเองเลยใช่อันนี้ก็คือตัวเองได้รับความทุกข์ละนะเราก็พยายามที่จะปฏิบัติเพื่อแก้ความตายมันมีประเภทหนประเภทที่ห้านั้นก็คือว่าไม่มาเลยอืก็คือยอมตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่อยู่ร่ำไปนะก็คือเหมือนกับคนที่ไม่หามหมอหมอไม่มาหมอฟันเลยอ่ะนะครับไปจนมันเละแล้วก็ไม่มาอีกเลยอ่ะก็มีอกันนะที่ต้องทนลําบากไปไปใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นอืก็ความตายนั้นก็จะ ตายไปกับเขาก็จะติดเขาไปตลอดชีวิตด้วยความตายความกลัวตรงนี้ขอไปความกลัวตรงนี้ก็จะตายไปกับเขาติดกับเขาไปตลอดชีวิตแล้วก็จะเกิดใหม่กับเขาอีกไม่ผลไม่ผลใช่น่าเพราะอะไรความกลัวตรงนี้คือวิชานุใสหมอนงัศมิกรวิชานุับมันเป็นคราบมันเป็นคราบติดอยู่ที่จิต ยิ่งตอนนี้ก็ไม่กล้าทาอันนี้ก็กลัวอันนี้ก็โอ้ยขยากขยงอันนี้ก็เกลียดอันนี้ก็ไม่อยากทําเพราะว่ามันเป็นอชื่อของความกลัวในอีกชื่อหนึ่งนั้นเอง่ยนะทำให้เราสร้างอนุสัยสร้างอนุสัยสร้างอนุสัยเป็นแพทเทิร์นในชีวิตครับเป็นความที่ชีวิตก็จะล้มเหลวและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้มากก็จะเป็นประจบประสบมิตรลับคริสอ่าเราก็โอ้ยมีปัญหาอย่างเงี้ยเยอะแยะตามมาหมดเนาะ เราวควรจะแก้ความกลัวด้วยกันเผชิญหน้ากับมันซะอันนี้มีมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันครับมีเพื่อ น, นเพื่อนที่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเขาเป็นยังไงล่ะมีมีช่วงหนึ่งสักสองสามปีก่อนเขานั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่านั่งเสร็จพอนิ่งๆเขาจะเหมือนกลัวกลัวเหมือนเจออะไรที่มันแบบวิญ ญ, ญาณอะไรทํานองนี้ครับเขาเลยหยุดนั่งเขาบอกว่ากลัวพอนั่งเมื่อไหร่ก็จะมีอะไรมาเหมือนมาหลอกหลอนเขานะ่ยครับอันนี้ก็คือ คำตอบก็คือเป็นอวิชานุใสใช่ไหมครับใช่อืมครับในแพทเทิร์นในชีวิตเขาแน่นอนอาดามาก็ฟันธงได้เลยคุณจะเป็นคนพบนิสัยบางอย่างเขาที่ทําอะไรถึงจุดใดจุดหนึ่งปุ๊บเลิกกลัวมันต้องมีอะไรที่อย่างใดหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันในชีวิตของเขาเพื่อบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่อยากบรรลุหล่อนิพานยังยังยังไม่เอาอะคือคือกลัว คือคือเพราะว่าตรงนี้ behavior อันนี้นะมันมีความกลัวแฝงอยู่ในเลเยอร์กลางล่างล่านะงแฝงอยู่ใต้ความกลัวตรงนั้นเลเยอร์ล่างล่างลงไปอีกนะชั้นล่างล่างลงไปอีกก็จะเป็นความรักสักอย่างใดหนึ่งความรักสักอย่างดอย่างหนึ่งครับทำให้มีความกลัวนิพานเกิดขึ้นทําให้คุณไม่อยากปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงนิพานได้อือยากวนเวียนในภพภูมิอยู่เช่นนะมีความรักในการมาคุณมีความรักในบางคน ทำให้เรายังอยากวนไม่อยากจะไปนิพพานอย่างเงี้ยกลัวอะไรไม่ปฏิบัติธรรมเลยอะไรไปต่างๆนานาก็จะพบแพทเทิร์นนี้ในชีวิตอยู่ในเรื่องอื่นๆแน่นอนเช่นเรื่องการงานเป็นต้นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเป็นต้นหรือเรื่องในครอบครัวจะมีแพทเทิร์นนี้อยู่แน่นอนเป็นอนุสัยโอจริงๆครับอันนี้จริงๆเลยรู้สึกครับเข้าใจดีเลยครับเพราะฉะนั้นขอร้องเลยให้เผชิญความกลัวนะถ้าเรายังหาไม่เจอมันมีแน่นอน แต่คุณยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยยังมีลักษณะของความที่คนต้องพองอยู่ครัเป็นคนครับคนลุกยอยู่ใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัวอะไรนะครับที่ฟังก็ขอให้อ่ารวบรวมกําลังใจประชิญหน้าเวลาเราจะปรเชิญหน้ากับมันนะครับอ่ก็อย่างมาใช้ในสี่แบบนั่นแหละแต่บางคนลุยเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะแบบแรกลุยเลยครับคนบฏิบัติธรรมนี้ก็มีเหมือนกันนะ บางคนเนี่ยยงไงครับได้ข่าวปุ๊บสมัครเลยบางคนนี่บางคนต้องเดี๋ยวต้องวางแผนก่อนอคือคือนี้พูดถึงคนที่เกษียณแล้วไม่มีภาระอะไรอนะคนที่ไม่มีภาระอะไรเนี่ยบางคนรู้ปุ๊บทําเปลยออบางคนเฮ้ยต้องวางแผนก่อนะเออต้องหาข้อมูลก่อนเขาดังสมาธิกันยังไงเดี๋ยวไปถามพระองค์นั้นซิเป็นไงมีกี่แบบนี่เกิดไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมบางคนก็ ดีๆ ด, ดาดาอยู่นะชวนเพื่อนชวนคนนั้นชวนคนนี้ไม่หมาสติอละก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกัน อ, อซึ่งซึ่งเวลาที่เราจะเผชิญหน้าความกลัวเนี่ยมรดงก็ทําเลยนะให้ถ้าเราอยู่ในมรคมีงแปดอันนี้แหละจะเป็นเพื่อนที่ไปกับเราเราไม่ได้ไปคนเดียวครันะเรารมีกา ร, รยานมิตรที่จะเดินไปตามเส้นทางความกลัวนี้อยู่ครับแล้วมันจะสว่างขึ้ น, นะเอาไฟฉ า, ายไปสิไฟฉายเอาเทียนเอาส่องไปสิ เทียนนี้แสงสว่างนี้จุดอยู่ในที่มืดโดยพระผู้มีพระภาคจุดไว้ตั้งนานแล้วเพื่อคนหลงทางจะได้มาเจอเพื่อคนคมีตาจะได้เห็นรูปได้ถ้าเรามีศีลถ้าเราพยายามที่จะนั่งสมาธิอยู่บ้างรนะเราเป็น บ, บัตรตามมักทั้งหมดเลยเนี่ยนะพยายามที่รวบรวมสติได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไ ร, รนะเราเราสว่างกันได้เราแก้ปัญหนานี้ได้ เป็นทางอันอประเสริฐคือบาง ค, บคนเนี่ยกลัวกลัวเรื่องราวในชีวิตคือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงความกลัวนะที่แฝงรูปรอยู่ในความไม่พอใจบ้างปัญหาในชีวิตบ้างนะครับแล้วก็เลยหนีมาปฏิบัติธรรมหนีเฮออ้ยไม่ฉันไปปฏิบัติธรรมดีกว่าหนีปัญหาโดยการมาเลี้งและปฏิบัติบ้บางนะไปอยู่วัดบ้างเพื่อห น, นีปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ๋อต้องทํำยังไงครับอย่างนี้เผชิญหน้าไงอเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุณมีคือหมายความว่าความกลัวที่คุณแก้ไม่ได้นะ ด้วยตามระบบมาร์กนะครับมาร์กมีองค์แปดใช่คือบางคนบอกพ่อแม่ไม่ถูกกับพ่อแม่เป็นต้นเออครับไม่ถูกกับครอบครัวเนี่ยไปเผชิญหน้าด่ากันว่ากันเอไม่ใช่นะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคาว่าเผชิญหน้าเนี่ยเอคําว่าเผชิญหน้าเนี่ยหมายความว่าเช่นว่าเอเราพิจารณาดูก่อนสิเรากลัวอะไรกันแน่เราถึงอมีปัญหากับพ่อแม่เป็นต้นเดี๋ยวเราเรายึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไหมอารมณ์ อารมณ์ใดอารมณ์หหรือความเห็นใดความเห็นหนึ่งแล้ว <นะ S 2> เราทําลายตัวนั้นได้ไหมเรากลัวความที่เราจะต้องเสียความเป็นตัวตนไหมเราทําลายตรงนั้นได้ไหมถ้าทําลายได้เราไปเผชิญหน้าอาจจะนบน้อมทำตนไปเลยนะหรือว่าแบบกลายเป็นคนใช้ไปเลยเพื่อที่จะอให้บบะละลายพฤติกรรมละลายความเป็นตัวตนของตัวเองอออนี่เป็นการเผชิญหน้าที่ที่จะมาหมายถึงครับออื แล้วไอ้เรื่องการที่ใช้การมาปริบัติธรรมเนี่ยเป็นการหนีปัญหาอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องอ ค, คือปัญหาเนี่ยคือยังไงคนมานั่งสมาธิเนี่ยนะมันมันก็ได้ทั้งนั้นอ่ะคือได้นี่มายควว่าคุณมาเลีเ้ยงเล่นคุณกินอานาพอประมาณ อ, อคุณฟังธรรมะยั ง, ยงไงมันก็ได้คุณอยู่เ ส, สนาสนะสงัดอ่ะยังไงมันก็ได้ความสุขในใ จ, จแ ต, แต่แต่กลับไปแล้วคุณเจอภาษาอย่างนั้นอีกปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอืมต้องเผชิญหน้าเพราะว่าจุดบอดมันยังอยู่ตรงนั้น จุดที่มืดมันยังอยู่ตรงนั้นจริงครับแล้วก็การที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็บอกโอ้ยไม่ต้องทำหรอกมันกลัวกลัวพลาดกลัวเจ็บกลัวอะไรสักอย่างใอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะเขาเข้าข่ายลักษณะพ่อแม่รังแกฉันนะ<ม>พ่อแม่รังแกฉันลูก อ, อย่าทำเลยเดี๋ยวลูกจะเจ็บเดี๋ยวลูกจะปวดเดี๋ยวลูกจะเสี่ยงลูกไม่ต้องทำ ลู ก, ลกเลยเหอเดี๋ยวลูกลูกก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีหนึ่ง <c oughs> ก, ก็เลยเข้าข่ายลักษณะพ่อแม่รังแกฉันครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกับวัดเนี่ยจึงไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ไงอรับ <c oughs> ทุกคนทุกคนมาเถิดนะมีปัญหานี้วิตก็มาไม่ใช่นะไม่ใช่ <c oughs> ทำอย่างนี้ไม่ถูกอ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณแก้ปัญหาถูกต้องไหมแตนะ่เพราะว่าวัดเนี่ยหรือว่าธรรมะหรือว่าครูบาอาจารย์เป็นต้นเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับคุณตลอดเวลาเวลาที่เวลาที่คุณเจอปัญหาในชีวิต นะหรือวเวลาที่เขาจะด่าคุณหรือเวลาที่คุณจะมีข่าวไม่ดีมากระทบอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มารอให้เรานั่งสมาธินะเอเขาซัดเลยซัดเลยเอละเลยมันกระทบเลยมันมาทันทีมันได้ช่องมาไหนมันเอาทันทีครับเพราะเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอใช่ครับการมาฝึกเป็นรูปแบบมาวัดฝึกเป็นรูปแบบอันนี้ทําได้อยู่ใช่ครับแล้นเราต้องพึ่งพึ่งต้นพึ่งทำไงเออใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันมันไม่ไหวจริงจเนี่ยนะ จะจะหนีมาตั้งท่าหลักก็ก็ยินดีต้อนรับอคือตั้งหลักก่อนคือไม่ใช่ว่าวัดไม่ไม่ต้อนรับนะวัดก็ต้อนรับอยู่ในีระเด็ว่าคุณมาด้วยเหตุผลอะไรครับอ่าคุณมาด้วยเหตุผลอะไรถ้าคุณมาร้อนใจอ่าที่พึ่งให้ให้ให้แบบว่ามีมีตั้งหลักก่อนขอใหตั้งหลักเผชิญหน้าก่อนนะถ้าเผชิญหน้าไม่หวแล้วเียจะมาตั้งหลักสัหน่อยหนึ่งก็ยินดีต้อนรับครับนะแล้วก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่การหนีปัญหา แต่เป็นการทําให้จิตเรามีกําลังเพื่อที่จะเผชิญหน้าตรงนี้ได้ครับแล้วทีนี้นะถ้าเราเอะอะไรก็ต้องมาพึ่งวัดพึ่งวัดเนี่ยคุณก็มีอยู่วัดเดยดี<ม> <c oughs> ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่าเต็มรูปแบบในชีวิตคือหมายความว่า <c oughs> คือถ้าปัญหามันยังอยู่กับเราเนะี่ยหมอรัตครับปัญหามันยังอยู่กับเราเนี่ยเราไปที่ไหนปัญหามันก็ตามเราไปอ๋อเพราะมันปัญหามันอยู่ในใจเราถูกต้องครับความยึดถืออยู่ที่ไหนความยึดถืออยู่กับเราใช่ไหม คุณ <huh S 1> คิดว่าที่นี่ไม่ดี น, นี่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีย้ายที่ซะย้ายที่ไปโอนก็ไม่ดีอีกอะที่นั้นก็ไม่ดีไปที่อีกที่หนึ่งที่ใหม่ก็ไม่ดีก็ปัญหาตัวคุณคือปัญหาอืมครับตัวคืนคือปัญห า, า, าอะไรกันไ ร, รความยึดถือของเราเนี่ยแหละคือปัญหาของเราความยึดถือของเราเนี่ยอุปทานเนี่ยมันตามเราไปทุกที่ครับเราไปที่ไหนมันตามเราไปเราไปเปลี่ยนที่ใหม่มันตามเราไปอีกจริงครับเราแก้ปัญหาหราือเปล่าเราแก้ถูกจุดหรือเปล่าเราเผชิญหน้ากับจุดที่เรา <pounds. S 2> เราไม่รู้หรือเปล่าคุณส่องไฟไปไหมคุณฉายไฟไปไหมไอการเผชิญหน้าการไปมองดูมันเนี่ยนะการที่เราเข้าไปสังเกตการที่เราเข้าไปเผชิญหน้าเปิดมันออกมาลอกมันทีมาเลยทีละชั้นละชั้นเนี่ยนี่แหละคือเราจะรู้ว่าเป็นการฉายไฟเข้าไปรู้ว่าต้นปัญหามันคืออะไรเราจะได้ลอกตรงนั้นออกได้แก้ตรงนั้นได้อืแล้วยิ่งเราทํามากเท่าไหร่นะมาลงทํามากนี่หมือนว่าหนีไปเรื่อยๆนะไม่เผชิญหน้ารอันนี้ยิ่งจะสร้างอนุสัยที่ ติดฝังลึกแน่นแล้วก็เหมือนเป็นยาเหนียวติดแน่นอย่างนี้ใช่ไหมครับแพทเทิร์นในชีวิตจะเกิดมากขึ้นนะไม่ใช่ด้านใดด้านเดียวนะจะเป็นนุ่นเป็นนี่อีกอย่างนี้นะใช่ครับมันจะไปออกแบบพฤติกรรมอื่นๆอีกจริงๆครับเห็นเห็นอยู่เท่าที่ในชีวิตก็สังเกตผู้คนก็มีมีหลากหลายใช่ครับเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นการหนีปัญหาแต่เป็นการที่คุณจะต้องสู้ในชีวิตของคุณเอง ดโดยวิธีของมักมีองค์แปดใช่นะครับสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยเมนตาชิตสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูให้สู้ในให้เผชิญหน้าด้วยธรรมะนะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ศัตราไม่ต้องใช้อัดยาเราก็ทําให้ราบคาบโดยทําได้ครับเป็นการเผชิญหน้าที่สมมติฆ่าศึกนักรบเนี่ยจะออกไปรบเพื่อที่กระจัดฆ่าศึกเนี่ยนะเขาจต้องเตรียมอาวุธไป ใช่ครับนะแต่ธรรมะเนี่ยเป็นอาวุธที่จะเรียกว่าไม่ต้องใช้สตราไม่ต้องใช้อัจฉริยนะก็สามารถขจัดให้ราบคาบโดยธรรมได้อือย่างจะจะจ ะ, จะด่าคนที่เขามีวาจาช่วยหยามอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณจะวิดาด้วยวาจาช่วยหยามเนี่ยแสดงว่าคุณยังใช้อัจฉยะอยู่ อ, อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นการทําให้ราบคาบโดยธรรมครับอืเราใช้วิธี<น>อะไรใช้วิธีอดทนอดทนนะอดทนเนี่ยจะเป็นทําให้ราบคาบโดยธรรมจิงเราไม่สะดุ้งสเตือน พอนะเรามไม่พูดปุ๊บมันก็นเงียบไปเองล า, าไปแล้วชนะศึกที่เอาชนะได้ยากใช่ไหมครับชนะสงครามที่ชนะได้ยากเป็นคำของท้าวสกัดเทราที่พระเจ้ารับรองทีนี้การมาปฏิบัธรรมนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะหาวิธีกา ร, นะรเพื่อที่จะม า, มาใช้ธรรมะในการที่จะเราจะเอาไว้ปฏิบัติได้ัคือบางทีเราต้องการจะแก้ปัญหาแต่เราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ เราก็มาเครื่องมือเครื่องไม้ได้นะฮะอาวุธที่จะไปสู้ให้เป็นโดยธรรมะเนี่ยอาวุธคือธรรมะอาวุธทางจิตทางปัญญานะเพื่อที่จะต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับความกลัวที่เราที่เรามีครับอทีนี้พอพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบางคนนี่มันก็เห็นแก่เน็ดแก่เหนื่อยเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นกับพักแก่ผ่อนหมอรู้วงก็จะไหม เข้าใจครันบางทีก็นอยนแค่นี้พอเหรออะไรเงี้ยต้องตื่นตีสี่เนี่ยโอ้โหตอนอยู่บ้านตื่นหกโมงนี่พลาดทิศก็มันจะโอ้ยเดี๋ยวร่างกายมันจะเพลียไหมอะไรเห็นกันหลับแกันนอนนี่ไงเห็นกันหลับกันนอนหรือพอเขาเวลานี้เขาให้พักพักเลยถึงเวลาพักปุ๊บพักจริงเลจรับนอนแผ่สองเสื้องอย่างนี้อันนี้คือเห็นกันพักแกันพอนเห็นกันในกันเหนื่อย อันนี้เราสังเกตาได้ว่าว่าพฤติกรรมของคนเป็นยังไงในะอย่างลูกน้องหรือว่าการทํางานของเราเนี่ยเราจะสังเกตได้นะว่าคนที่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่เห น, นื่แกเหนื่อยเนี่ยเอ้ยถึงเวลามันต้องพักแล้วนะถึงเวลาพักแนละ้วทำไมยังทําต่อเอเที่ยงตรงเป้งเ <laughs> นี่ยคือเขายังมีความเพ่งชนิดที่ว่าเป็นเป็นม้ากระจอกก็เห็นแต่กับข้าวเห็นแต่อาหารเห็นแต่สิ่งที่จะมาล่อใจ นะการมาคุณทั้งหลายใช่อันนี้เนี่ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะก็จิตเราจะไม่มีความเพียรครับพอจิตเราไม่มีการปรารกความเพียรแล้วเครื่องมือในการที่คุณจะไปเชิญหน้าที่จะแก้ความกลัวคุณก็จะน้อยลงไปครับอืมเนาะก็จะเป็นคนที่มีแพทเทิร์นอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นรายกา ร, ร, รอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ให้เพ่งอย่างอย่างมาอาชาัยในครับเออนี่เห็นด้วยในการทํางานด้วยนะการทํางานจริงคนระับ ในชีวิตการทํางานเห็นหมู่คณะเนี่ยเห็นชัดเลยครับคนที่เห็นแก่เหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ทำปุ๊บป๊อะไรปุ๊บอะไรที่ต้องใช้แรงเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวยืนมาเท้าเซลล์ละเนี่ยละพอแล้คนอื่นเข้าแทนะหรือคนที่เห็นแก่พักแก่พ่อนเนี่ยอถึงเวลาพักปุ๊ไปเลยทันทีทันทีเลยหรือชักชวงก็เดินไปพักอย่างเงี้ยแต่คนที่เห็นแก่การทํางานนี่เฮ้ยต้องเอางานให้มันเสร็จก่อนเอาเอางานเป็นหลักก่อนใช่ครับแล้วให้เราทําอย่างนี้แลฝึกนิสัยให้เป็นอย่างงี้ ใช่ครับฝึกที่ให้เป็นอย่างนี้เราก็จะจะประสบความสาเร็จได้แล้วตรงนี้ก็เห็นได้เลยคนที่เห็นเกณเกลื่เกลื่นเหนื่อยกระเพากล่อนเนี่ยก็จะปฏิบัติได้ไม่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่ใช่ครับชีวิตชีวิตงานก็จะเหมือนดัดดัดแบบไม่ไม่เจริญก้าวหน้านะครับก็เห็นอยู่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้ควรจะบอกเขายังไงดีครับท่านคืออันนี้ีแบบเมื่อวันก่อนมีมีอ่า ท่ผู้ฟังรายการธรรมะระวุลมาจากจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอ๋อครับอยู่ไกลๆครับนี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยคุณคุณพ่อหนูจันท์แต่คุณพ่อหนูจันจะไม่ได้ฟังรายการนี้หรอกเพราะว่าทางฟังทางวิทยุคงจะโหดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเขาบ่าครับเขามาเนี่ยเขาดีใจมากที่ว่าได้มามาวัดบารนัยโสกนะเขาฝากคําถามมาคําถามนึ่งว่าเขาบอกว่าคนสอนยากเนี่ยจะเอาอะไรสอนเออ หวั่นพงว่าไงคนสอนยากมันจะสอนยังไงดี <S <S> อ่ะ<ม>นี่อาตมามีคำตอบเลยว่าเขาถามแบบนี้ปุ๊บเรานึกขึ้นในใจทันทีเลยว่าคนสอนยากเนี่ยเอาศรัท ธ, ธสอนศรัท ธ, ธาใช่ไหมครับสรัท ธ, ธาในในธรรมะหรือในตัวศรัธธในพระพุทธเจ้านี่แหละอ๋อศรัทธาในคนที่สอนนี่แหละครับนั่นคือหมายถึงพระพุทธเจ้าอ่ะนะแต่คนสอนเป็นพระพุทธเจ้าคือเราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือไหมใช่ครับเพราะถ้าเขามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยมันสอนง่ายทันทีอืมจริงครับอืม เพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาบริบธรรมเนี่ยเวลาที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยมันไม่ไม่ไมปแห้งมันคือเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ข้อมูลจริงเขาไม่มีศรัทธาเ่านัเถอะใช่ครับไม่มีศรัทธาในชีวิตตัวเองไม่มีศรัทธาในหัวหน้าไม่มีศรัทธาในวิชาชีพไม่มีศรัทธาในกระบวนการไม่มีศรัทธาในเพื่อนร่วมงานมันเลยไปไม่ได้อครับศรัทธาในหมายถึงความมั่นใจเลยนะ ทำแบบนี้ไปทําไมโอ้ยทาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์<ต>อย่างบางอย่างอาจจะมาเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าจะต้องทําอันนี้เนี่ยนะเราก็ไม่มีแรงที่จะทําเร า, <ต>เราดูตัวเราเองก็ได้คร<ต>ับเราเอามั<ต>่วไอ้สิ่งนี้ไม่เกิดประโยชน์ทําไปไม่เกิดประโยชน์เราไม่ขวนขวายทําลองขี่เกียจเรากลายเป็นแบบเห็นแก่เน็นแก่เหนืเหมือนกันเว้ยเออเพราะเราไม่มีศรัทธาในสิ่งนั้นโอ้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องแก้ครับอ<ต>่าเราก็เลยตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งนั้นกูอ<ต>าจารย์สังไรอัานนั้นคือ คือสิ่งที่ดีเราทําอย่างนี้เป็นตน้นไม่ว่าเราจะมีความเห็นยังไงเราเราเพราะว่าความขี้เกียจเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ไม่ดีใช่ครับเอ๊ะทาไมเราเราฉิบเราไม่มีความศรัทธาโอ้โหแก่แก่แกนะแต่ความศรัทธาความขยันเป็นคุณธรรมที่ดีไปใส่ในอะไรมันดีหมดอ่ะอืมอืโอ้เป็นองค์ธรรมที่พระหา้าใช่ไหมครับข้อแรใช่เอ่แบบการก่อสร้างไม่ดีไม่เห็นด้วยแต่ถ้าใส่ความเพียเข้าไปนะมันดีนะ โอ้ครับเออมันกลายเป็นสิ่งดีขึ้นมาอความทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึง่งทําสิ่งนี้ไม่เห็นด้วยหรอกเ อ, อ๊แต่ความไม่สามัคคีกันนี่มันไม่ดีนะสามัคคีกันดีกว่านะใช่ครับ ส, าาสิ่งนั้นต่อให้มันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับมันจริงๆก็ตามเถอะแต่เราเห็นแล้วเรายังระลึกถึ ง, ถงคุณธรรมอันนี้สมมติเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมรพงษ์ห้องน้ํำห้องน้ําเป็นต้นสุขาครับห้องน้ำเป็นสิ่งด<ร>ีมรพง์ สมมุติเราสร้างอ่าอิดขึ้นมาสักก้อนหนึ่งเป็นต้นนะ อ, อิดก้อนเนี้เราเห็นว่ามันไม่ดีหรอก เ, เราเราไม่อยากทําไม่อยากช่วยเลยพอเราไม่อยากทำไม่อยากช่วยความคิดนี้เป็นอกุศลธรรทำแล้วเอใช่ครับเราไม่มีศรัทธาด้วยทั้งคนบอกคนอยู่ในกลุ่มว่าทําไปทำไมนี่เป็นอกุศลทำหมดเลยนะอืมชั่วร้ายรามมกมากครับอืแล้วถ้าเราเราสมมุติมันเกิดเสร็จขึ้นมาเราเห็นทีไรปุ๊บจิตเราจะเป็นอกุศลตัณฑสิ่งนั้นจะเป็นนิมิต ของอัปุศล์ขึ้นในจิตของเราครับอันนี้แย่มากเลยเห็นที่อะไรมันจี้ทุกทีเห็นยี่อะไรมันจี้ทุกทีอย่างอย่างซื้ออะไรสัอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับคนข้างๆนะหรือว่าแบบที่ประชุมกันแล้วตกงลงไม่เห็นด้วยสรุปแต่ว่ามันได้ซื้อมาแล้วเนี่ยครับใช่จะเป็นนิมิตของสิ่งที่ไม่ดีทันทีอืมจริงเข้าใจนะทีนี้เราทํายังไงเราทํำยังไงเราจะแก้ยังไงเราแก้ที่จิตเราตอนนั้นเลยนะว่าความคิดชั่วช้าลามกอย่าให้มี ให้ให<า>มีให้มีความสามัคคีกันให้ร่วมมือกันให้มีศรัทธาให้มีความเพียรเราไปร่วมช่วยกันตรงนั้นเนี่ยนะถึงแม้สิ่งนั้นจะออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามที่เราคาดเอาไว้ก็ตามใช้ผิดประโยชน์ใช้ไม่ถูกดีไซน์ไม่ถูกตามที่เราคาดไปก็ตามครับนะเราเห็นมันตีไรปุ๊บเรายังระลึกถึงความดีที่เราทําเป็นนิมิตของสิ่งดีๆอ๋อเหมือนมีการเปลี่ยนนิมิตแห่งจิต ด, ด้วยใช่ใช่อันเนี้ย hmm. ดีมากๆเลย ถึงแม้ว่ารตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆก็ตามนะยังน้อยยังเป็นนิมิตที่ดีของเรารแล้ววันหลังเราค่อยมาทำแก้ไขก็ได้ครับเนาะอันนี้<ช>อันนี้สำคัญมากนะจริงครับจริงครับโอโนี้จะน้อมรับไปใช้ครับ อ, อย่างอย่างเรื่องห้องน้ำอย่างเงี้ยครับห้องน้ำที่ที่วัดอื่นมีไหมมี ก็เดินไกลไปหน่อยไปใช้ได้ไหมก็ได้ไม่ว่าอะไร้แต่เรามาร่วมกันทําให้มันสําเร็จนี่คือสิ่งที่ที่เรากำลังพูดถึงมองไปทีไรเนี่ยมองไปทีไรปุ๊บมันนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่างๆมันเป็นนิมิตแห่งจิตที่ดีใช่ครับครับบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับดีไซน์ไม่เป็นไรคุณช่วยเหลือให้คุณมีความมั่นใจมีศรัทธาอย่างน้อยคุณมองไปคุณไปได้ใช้ยังระลึกถึงกุศลธรรมได้อืมว่าหลังเราเค่อยมาแก้ก็ได้ครับดีไซน์อะไรต่างๆ ครับจริงครับเทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวของมันนะนะใช่ครับแล้วทาที่ดีที่สุดในปัจจุบันอย่างศาลาวัดป่าดอนไนโกร์มาแล้วงครับเฮ้ยตัมมานึกถึงอุปการะของคนที่ร่วมสร้างกันมาตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยดีไซน์ตรงนี้ทําไมทำอย่างนี้ฮิวะทําไมน้ํามันไหลเมองนี้แล้วมันไม่ไหลไปทางนั้นวะมันเราก็เลยคิดไปบ้าๆบอๆนะเฮ้ยจิตเราคิดไม่ถูกจิตเราคิดผิดเราต้องรีบแก้เราต้องรีบแก้ นะเรามันนึกถึงว่าบุคคลที่เขาร่วมสร้างกันมานี่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยการดีไซน์สมัยนั้นด้วยอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างสมัยนั้นทำมาได้อย่างนี้ทุกคนมีความร่วมมือกันใช้เวลาหลายปีเนี่ยโอ้โหเรามองไปทีไรเรายังได้ใช้ประโยชน์ทุกวันนี้เนี่ยมันดีมากเลยจิตเราเป็นกุศลจริงครับความคิด<ม>อักุรศนี่เราเราก็ละไป<ม>ทําทําอย่างเงี้ยเรามีแต่จะจะดีขึ้นจิต การปฏิบัติธรรมคอร์สล่าสุดที่เพิ่งจบในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านมีก็ไรแบ่งปันไหมครับก็เป็นหลักสูตรเป็นรอบที่พูดสนทนาหลายอย่าง<อ>นสนทนาหลายอย่า ง, เ, ง, งเช่นเรื่องน้ำํำ<อ>เรื่องไฟน้ําก็เสียไฟก็ดับน้ําบาดาลนี่นะน้ำบาดาลเสียจะมืดเสียโอะบบไฟที่จ่ายในน้ำบาดาลเสียก็แก้ไขปัญห า, า, ากันไปผู้หลกเด่นก็ดีมากเลยมีความอดทนสูง นีไม่มีน้ําใช้อยู่วัน ก, กว่ากว่าไม่รู้ได้เข้าห้องน้ำอะไรแค่ไหเป<ร>็ล<ร>ความเพียนครับเือจะร้ไป ต, <ๆ>ตันส้วนรู้ก็ไม่รู้ออแต่เขาพยายามหาน้ํำออื่นมาทดแทนนะเป็นน้ําคุณหน่อ ย, อยอยู่ในสระ น, นี่แหละก็ใช้งานได้ดีอยู่อ๋อใช่ครับที่วัดมีสระขนาด ใ, <ช>ใหญ่สองสระแล้วก็<ๆ>ก็แก้ปัญหาระยะยาไปแล้วเี่ด้วยการที่ทํำไปสองระบบคู่กันไปอืระบกไฟนี่คงจะแก้อะไรไม่ได้เราไม่มีไฟเราก็ยังอยู่ได้อยู่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่น้ํามีสําคัญ ใช่ครับอืเพราะมันอุปสรรคมาเนี่ยทําให้อทุกคนต้องร่วมมือกันอืเห็นความสามัคคีใช่แล้วถ้าคนนั้นก็พูดอย่างงี้คนนี้ก็พูดอย่างงั้นนะต่างคนต่างไปแก้คนละจุดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้เลยอืมแตกสามัคคีในมารจะได้ช่องตรงนี้ครับมันคอยช่องว่าคุณด่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บมันใส่เลยมันก็จะใบอื่นอื่นอีกอื่นออีกมากมายครับแต่พราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเกิดมาเราเรา ให้แก้ให้เผชิญหน้าให้พยายามที่จะแก้ถ้าเรามีอยู่ในมาร์กนะถึงจะถูกต้องค์อย่างผู้ปฏิบัติที่ไปเนี่ยอย่างผมว่าทุกคนมีศรัทธาศรัทธาในธรรมะศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ปัญหาก็จะแก้ง่ายใช่ไหมครับใช่พร้อมสู้ครับแล้วการไม่ไม่ต้องพูดนี่ก็ดีมากคือไม่มีใครมาคุมเพลนอะไรย่้งสิ้นที่เราเราพยายามทาดีที่สุดนะนะ ทีนี้จะนี้ว่ามันก็เลยไม่มีน้ําไปครึ่งวันนะระบบทั้งระบบก็หายไปวันกว่ากว่าแต่ไม่มีน้ําจริงๆเนี่ยคือยู่แค่จริงๆมันมีน้ําตลอดแต่แหละแต่ว่าเราเอาไปใช้เฉพาะจุดนะให้มาใช้ที่เฉพาะห้องน้ํารวมอย่างเงี้ยตามบุติก็จะจะไม่มีไปประมาณสักวันกว่ากครับแล้วเห็นว่าในการปฏิบัติคอสนี้คนล้นเลยใช่ไหมครับก็ร้อยสิบคน โอ้มากจริงๆ น, นะครับอโอ้อนุโมทนาครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องต่อไปหมปอรัตพงศ์เรื่องของอทานที่มีท่านผู้ฟังถามมาอ๋อใช่ครับมีคำถามจากคุณปัทมาครับคุณปัทมาเนี่ยมีคำถามบอกว่าคือท่านถามว่าการประรบเหตุในการทำทานเนี่ยต้องทำมากทำบ่อยขนาดไหนจึงจะได้รับผลไปเกิดในภพเทวดาต่างๆหลังจากที่ตายแล้วครับ ในในพระสูตรที่ได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเหตุเออผลอันนี้สงที่จะได้รับในพบต่ อ, ตอไปครับพบ ต, ต่อไปนี่หมายถึง เ, เป็นเทวดาเป็นอะไรพวกนี้นะหลังจาก<อ>ที่ตายจากมนุษย์นี้ไปแล้วนะครับยังไม่ได้ไม่ได้ตรัสถึงเหตุในพบปัจจุบันแต่เพราะการให้ทานเนี่ยเหตุในพบปัจจุบันมันก็จะมีอยู่เออหมายถึงเขาหมผลในผลที่จะเกิดในพบปัจจุบันแต่ก็จะมีผลที่เกิดในเวลาต่อมาก็จะมีอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงผลที่จะเกิดในพบต่อไป ก็ S <S <ม> อ, อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้ผลที่จะเกิดในพบปัจจุบันก็นไม่ได้พูดถึงแต่ที่แน่นอนเลยเคยพูดดรวมไว้นะการให้ทานเป็นไปเพื่อโพโคซับนี่เป็นไปได้ออืทีนี้ถ้าพูดถึงว่าต้องทํามากทําบ่อยทําขนาดไหนถึงจะได้รับไปเป็นเทวดาเทวดาหลังจากที่ตายแล้วเรามหลวงพงศว่าข้าวสักทัพพีหนึ่งเนี่ยมากหรือน้อยจริงๆก็ไม่มากครับไม่มากนะน้อยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ โอ้แค่นั้นแหละแค่ด้วยแค่นั้นอย่างเดียวเลยนะแล้วครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะข้าวหนึ่งทัพพีใช่ครับถามว่าเป็นพุทธวจนะหรือไม่เป็นนพระพระเจ้าเคยยกตัวอย่างของเศรษฐีคนหนึ่งอ๋อครับที่ให้ทานในพระปัฏเจกพุทธเจ้าี่ตัวแปรมันมีหลายตัวแปรอยู่นะเนนบุญดีแล้วตัวเองไม่ได้ทําด้วยนะให้ลูกน้องไปทําอ้แล้วพอให้เสร็จปุ๊บยังเดินหนีไปตัวเองก็ไม่ได้มองด้วยแล้วก็ยังมาคิดเสียดายภายหลัง ยัง oh. ทําให้ไปเกิดเป็นอยู่ในแถวโลกตลอดนานมากนานมากๆนะเเศษของบุญดีกรรมดีตรงนี้แต่ไนมะ้มาเกิดเป็นเศรษฐีอีกตั้งเจ็ดชาติโอ้ oh. นี่เป็นผูว้วจนะนะอืครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นตัวแปรเนี่ยอย่างนั้นว่า อ, อบ่อยไหมมากไหมมันมีหลายตัวแปรตรงนีนะ้อยู่ที่ผู้รับด้วยอยู่ที่ผู้ให้ด้วยครับถา oh. ว่าใช่ผู้รับเนี่ยผู้รับนะ เ, เป็นนี้ไหม เป็นใช่เป็นเนื้อนาบุนไหมนะเป็นคนทุศีลหรือว่าคือไล่มางนะตั้งแต่สัตว์ในแดชานคนทุศีนคนมีศีลพระภิกษุที่เป็นปุถุชนพระภิกษุที่เป็นอาเรยะบุคคลนะแล้วก็ปัจเจกพุทธเจ้านะพระอหันตตัสมะสมุทิจ่าพู้นี้โอก็ไล่ไลขึ้นมาก็จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะอันนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับทํานาคนเอานากรรมหนึ่งไป เดีวช่วงนี้เขาทำนาดับนากันนะใเอาฝุ่นดอกดอกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่าข้าวก้อนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรข้าวอ่าตกำหนึ่งกำหนึ่งอ่ะกำหนึ่งไปปักลงนะปักลงไปปุ๊บถ้านาดีเนี่ยโอ้โหมันออกรวงแตกกอมาเยอะแต่ถ้านาห่วยหวยมันอาจจะไม่รอดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณปักลงไปในอะไรในข้าวเมล็ดนั้นครับอ่าข้าวทัพพีนั้นคุณใส่ลงไปให้ใครบุญที่จะเกิดก็คืออยู่ที่ผู้รับด้วย ที่ถามว่าผู้ให้ผู้ให้คุณเตรียมกล้ามาดีไหมเนี่ยต้นไม้ไอ้ข้าวที่จะไปปลูกเนี่ยนะดีหรือไม่ดีก็คือวัดที่ศรัทธาของเราถ้าศรัทธาก่อนระหว่างและหลังกันให้ของเราหนักก็คือว่าคุณมีกล้าดีถ้าศรัทธาก่อนระหว่างและหลังน้อยแล้วก็กล้านี่ก็เหี่ยวๆไม่ดีไม่ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคําค้ำๆไปแล้วอย่างนี้เพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวแปรตรงนี้นะว่าได้ผล มากน้อยขนาดไหนครับในกรณีนี้เนี่ยความมันมันว่าสิ่งของที่เราถวายความแพงอย่างเงี้ยเช่นของถูกของแพงไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอาจาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยครับวัดที<อ>่ศรัทธารวลด้วยเลยจริงๆพูดถึงอยู่นะแต่พูดถึงอยู่ว่าของประณีดเนี่ยก็ก็พูดถึงอยู่ว่าถ้าเราได้ให้ของประณีดด้วยมือตนนันนี้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญคือความประนีตหรือไม่ประนีดของสิ่งของเนี่ย มันก็ไม่ได้ศรัทธาหรือเปล่าก็คือวัดศรัทธาได้ระดับหนึ่งแต่คืออย่างเชบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีเงินมากแต่มีศรัทธามากอของที่เขาให้อาจจะไม่ประณีตครับใช่ไหมแต่มีศรัทธามากอ๋อเข้าใจครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่แต่ละคนแต่ละท่านนะสมณเหตุปัจจัยของผู้ให้ครับสมณะนี่ก็เลี้ยงง่ายอยู่แล้วครับทำให้ต้องการจะสรุปในวันนี้ตรงนี้นะที่ว่า ถ้าบุคคลต้องการบุญนะมรัสพงศ์ครับถ้าเรายังอยู่ในสังสารวัฏเราต้องการบุญพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเรายังอยู่ในสังสารวัฏเราต้องการบุญเพราะถ้าเราไม่มีบุญนะเราจะตกไปที่ต่ำอืมตรงขายภูมิใช่เราจึงต้องมีบุญเหมือนกับว่าเนี่ยต้องมีลมให้มันลอยอยู่ได้ถ้าไม่มีลมคุณก็ร่วงครับทีนี้ลมตรงนี้เนี่ยก็คือบุญนั่นเองดี๋ยวเราต้องมีบุญ เพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนต้องการบุญคุณเห็นเนื้อนาบุญคุณต้องทํอาอำแปลงงั้นไม่งั้นคุณจะไม่ชื่อว่าคุณเป็นคนต้องการบุญครับทีนี้ถามว่าการทําบุญเนี่ยมันได้หลายอย่างสมมุติพระเจ้าบอกอะไรสมณะเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญใช่ไหมใช่คุณคเห็นปุ๊บเอาพูดได้อย่างได้บุญมากที่สุดก่นเลยคุณถา ม, มัญหาเลยถามปัญหาอะไรที่ทำให้เราตรัสรู้ได้โอ้โหอาริลูยาันรู้เป็นอะไรเช่อย่างใด LIKE อย่างหนึง่งครับ อันนี้จะเป็นการดีมากเลยคุณได้บุญมากตรงจุดเลยนะครับใช่ใช่<ม>หรือว่าคุณแต่ถามเรื่องศีลศีลแต่ถามเรื่องศีลศิลเป็นยังไงไงมูลนี้ถูกไปแล้วก็ไปปฏิบัติเรื่องศีลอันนี้ก็ได้นะหรือว่า ค, คุณให้ทานแต่คุณไหวทานในสมณะผู้ที่ปวนแก่เนื้อนาบุญโอ้ได้ผลมากครับเพราะฉะนั้นจึงจึงบอกว่าสมณะเนี่ยนะเป็นเนื้อนาบุญ น, นะในธรรมะในนิพิพัฒน์สอนครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ในสมณะนี่หมายถึงหมายถึงภิกษุนะ ภิกษุนี่คือเขาหมายหมายถึงสงนะสงเนี่ย <Okay. S 1> อาจจะห่มเครื่องแบบหรือไม่ห่มเครื่องแบบก็ได้อย่างมาร oh. ดาบีเรามารดาบิดาของเราอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่า oh. เป็นเนื้อนามบุญของเราเหมือนกันออืแ ค, คุณก็ให้ท่านก็ได้เรือ mm hmm. พูดถึงสมณะที่บวชเป็นกนผมผมผ้เหลืองอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือพูดถึงคนมีศีลอื่นๆก็ได้นะคือเรา mm hmm. พยายามที่จะเปิดกว้างอนะว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ย นั่นก็คือคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอเครื่องแบบก็ยกไปก่อนก็ได้ส่วนนึงก็ได้อย่างเงี้ยนะครับคือบางคนไม่ใช่พระแต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีทําสมาธิเจริญภาวนาเราก็ไปไต่ถามปัญหาก็ได้โอครับนั่นนี่เป็นทางหมายบุญละจิตเราสูงขึ้นละเราก็มอบอะไรให้เขาก็ได้อันนี้ก็เป็นทางหมายบุญละจิตเราก็สูงขึ้นละแต่เพราะฉนั้นคุณจะเอาให้มุนิธิใดมูลนิธิหนึ่งเลี้ยงเด็กกาพร้าอย่างเงี้ยหรือว่ามุนิธิที่เกี่ยวกับ แอะไรซึ่งในอย่างหนึ่งที่มีคนรับที่เขามีคนรับที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยเราก็ก็จะเป็นการดีก็จะเป็นทางมาแห่งบุญบ้างเด้อตรงวิธีคิดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราให้กับทานผู้ที่ผู้ที่มีบุญเนื้อนาบุญเนี่ยคือท่านสามารถเอาไปทําประโยชน์ต่อได้มากอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ยกอย่างสมณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แค่มีปัจจัยสี่พอมีพอกินมก็โอเคแล้วนะเพรฉะนั้นอย่างอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลวงตามหาบูรเป็นต้นหลวงปู่เทพเป็นต้นเนี่ยที่ท่านรับมาแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรเอาให้สร้างลรงพยาบาลทมปบาช่วยชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการที่สละออกสละออกรับมาแล้วก็สละออกช่วยเลยอย่างอื่นไปใช่ครับผลตรงนี้เห็นชัดเจนมากเลยอย่างกรณีของหลวงตามหาบัวนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยโหยังมั่นคงในเงินทุนระหว่างประเทศครับพ้นวิกฤตไปได้นะครับ ครั้งหลวงเนี่ยยังนึกอย่างกรณีของกรีซหรือสเปนเนี่ยแห ม, มทั้งแตกใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้ากับความกลัวนะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้าเราก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นการหนีปัญหารนะเราพูดถึงความกลัวทั้งหมด16แบ บ, บนะการเผชิญหน้าการที่มันซ่อนอยู่เป็นชั้นๆ แล้วก็การที่เพ่งอย่างมาาชะนายครับมาาชะนายครับแล้วก็พูดถึงเรื่องทานนิดนิดหน่อยตรงนี้ครับตบท้ายปัญหาเรื่องทานครับก็วันนี้สมควรแก่เวลานะครับครับก็มาพบกันใหม่ในคราวต่อไปคุณวัตตพงศ์ครับกลรับนักการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไนโศจังหวัดอุดรธานีครับจวัดดานีครับกลรับนักการครับ